สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับรายการทำและทัศนชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสองทุ่มสาสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบสิงหาคม2542นหี่ิบครับ เรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องพุทธภัธยกรหรือพระมหาบินชาดกที่พระพุทธเจ้าทรงพยยกรความฝันอพระสุบิ น, นีของพระเจ้าประเสาทธิโกศลสาชาแหง่งกรนครสาวัตีแคว้นโกศล ได้คุยกับท่านผู้ฟังมาได้เก้าข้อแล้วนะครับทั้งหมดสิบหกข้อครับวันนี้ก็จะเป็นข้อสิบระเจ้าประเสรนาทิโกสลขอทุนกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงสุบินนิมิตพ้อที่สิบมาเข้ามอเดียวกันขั้งหนึ่งแฉะ ข้างหนึ่ ง, งดิบข้างหนึ่ ง, งสุกดีอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในภายหน้าพระอาชาและสมณกรามต่างไม่ตั้งอยู่ในธรรมแต่ว่าองผู้ปกครองทั้งผู้ปกครองบ้านเมืองและสมณสมณกราม ส, สมณพราบไม่ตั้งอยู่ในธรรมฝนตกไม่สม่ำเสมอเท่ากล้าบางส่วนเหี่ยวแห้งก็ฝนแรงบางส่วนเสยหายก็ฝนตกชุกเกินไปบางแห่งสมบูรณ์ดีถ้าแปลว่าฝนตกไม่ถ่กฟ้านะครับฝนตกไม่ถวกฟ้า เมตตาไม่ทั่วถึงกันขพแปลกนะครับโดยธรรมดาเราผงข้าวเนี่ยถ้าเป็นหม้อกันถ้ามันสุกก็จะสุกทั้งหมดถ้า ด, ดิบก็ดิบทั้งหมดถ้าแฉก็แฉทั้งหมดหรือว่าแข็งเป็นข้าวแข็งก็แข็งทั้งหมด อันนี้หม้อเดียวกันข้าวหม้อเดียวกันข้างหนึ่งแช่ข้างหนึ่งดิบข้างหนึ่งสุกดีพระพุทธเจ้าทรงพยากรณว่าต่อไปภายหน้าเมื่อพระราชาและสมณพราหมพระราชานี่คือผู้ปกคร อ, องบ้านเมืองสมณพราหมณตั้งไม้ตั้งอยู่ในทัพสมณ น, นี้พรามนี่มีอยู่สองพวกใหญ่ๆนะครับ คือสมณะพรามโน่คืสมโน่พรามโน่พรามที่เป็นสมณะคือพรามที่เป็นนักบุร mm. รบรตรการปฏิพรามโน่พรามที่เป็นชาวบ้านพรามที่เป็นขรุขระก็ mm. เหมือนกับคนทุกชาตินะครับอย่างในชาติไทยก็จะเห็นชัดนะครับแ mm. ้าก็มีคนไทยที่เป็นสมณะหรือนักบุตร แล้วก็คนไทยที่เป็นพ้าราชกหรือเป็นชาวบา้านคาราวะแล้วก็มีผู้ปกครองบ้านเมืองนี่ถ้าทั้งสองพวกไม่ทั้งอยู่ในธรรมทั้งผู้ปกครองก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมณพรามหมณรือว่านักบวชก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรคนก็ตกไม่สม่ำเสมอเขากล้าบางส่วนก็เหี่ยวแหงบางส่วนก็เพราะฝนแรงบางส่วนก็เสียหายก็ฝนตกเกินไปบางแห่งก็สมบูรณ์ดีในตำราในตำรายัางละเอียดในมหาสุ บ, บินชาดกพูดจนถึงตักว่าแม่ในสระเดียวกัน ใา่าเดียวกันบางส่วนฝนตกบางส่วนฝนไม่ตกมาลองคิดดูมันก็แปลกนะครับบางทีก็ขับรถมาจากบางลาพูมาจากบางลาพูก็เปียกฝนโชกเลยเปียกมากเลยฝนตกหนักที่บางลาพูพอมาถึงเกียกายบางโพแห้งถนนแห้งไม่มีฝนเลย ก็ไม่คว้ามันจะตกอทั่วถึงจะ่บางก็เป็นบางวันบางวันก็ตกทั่วถึงบางวันก็ตกเป็นหย่อมๆก็เป็นธรรมดาของฝ น, เ, น, ง น, นเราเป็นอย่างนั้น่ะผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็ได้จินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฝนตกไม่ทั่วฟ้าอันนี้ยังไม่สุกอะไรเท่าไหร่ครับเราลองดึงเราลองดึงมาในภาพปฏิบัติ ไอ้ฝนนี่เราห้ามมันไม่ได้เลยมันจะตกหรือไม่ตกจะตกตรงไหนไม่ตกตรงไหนเราห้ามมันไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราดึงเข้ามาในภาคปฏิบัติดึงเข้ามาในชีวิตคนแล้เทียบกันดูว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเมตตาไม่ทั่วถึงกัน็คือว่าเมตตา ถ้าในครอบครัวหนึ่งก็ตามในตำบลหนึ่งก็ตามในวัดหนึ่งก็ตามาคนมีเมตตาต่อกันแต่ว่าตาเฉพาะบางส่วนหรือว่าในวัดพระอาชาในวัดก็คือเจ้าอาวาสถ้าเจ้าอาวาสก็เมตตาไม่ทั่ววัดเป็นเจ้าอาวาสบางส่วน มาความว่าเมตตาเฉพาะบางส่วนเฉพาะพระบางส่วนกับพระบางส่วนก็ไม่เมตตาหรือว่าในที่ทำงานในที่ทางานแห่งหนึ่งผู้บังคับบัญชาก็มีเมตตากับคนบางพวกแล้วก็เกลียดชังคนบางพวกคนที่ได้รับเมตตามากก็เรียกว่าฝนชุก เหมือนก็ฝนชุกบางทีก็เสียเหมือนกันนะครับเสียเหมือนกัน ช, กก น, นชุกเกินไปฝนชุกเกินไปน้ามากเกินไปทำให้คนเสียเหมือนกันนี่บางแห่งก็บางแห่งก็แห้งแล้งในบางกลุ่มในบางกลุ่มก็ไม่ได้รับเมตตาเลยแถมยังได้รับความเครียดชางเสอีกมันก็เหี่ยวแหง้งเหมือนฝนแล้ง ว่าแรงน้าใจไม่มีน้ําใจตอกันแล้วก็บางอย่างก็พอดีพอดีสมบูรณ์ดีอย่างนั้นก็พอดีความพอดีมันก็ทำให้เขากล้าสมบูรณ์ดีความพอดีมันก็ทำให้สังคมดีทำให้คนดีในในสังคมนั่นในชุมนุมชนนั่นในที่นั้นต้องการความพอดี ไม่ไม่เมตตาจนเป็นฉันทาคติแล้วก็ไม่เกลียดชังจนเป็นโทสาคติแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมความยุติธรรมความยุติธรรมกับความเสมอภาคนี่ไม่เหมือนกันนะครับความเสมอภาคความเสมอภาคนั่นคือว่าการจะให้หรือการปฏิบัติ ปฏิบัติเสมอหน้าไม่เลือกปฏิบัติอย่างว่ า, าคุณนางทำความผิดกับชาวบ้านทำความผิดโทษเสมอกันอย่างนี้เรียกว่าเสมอภาคความเสมอภาคคุณนางทำผิดกฎหมายกับชาวบ้านทำผิดกฎหมายาโทษเสมอกัน อ น, นี้เรียกว่าความเสมอภาคแต่ว่าความยุติธรรมนั้นคือการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการที่เขาสมควรจะได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสิ่งที่บุคคลผู้นั้นควรจะได้รับ อย่างนี้เรียกว่าความยุติธรรมแตงว่าคนขี้เกียจกับคนขยันเน่ถ้าเปิดเสมอภาคก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องจะให้อะไรก็ให้เหมือนกันนี่แคกว่าเสมอภาคแต่ว่าบางคราวเราก็ปฏิบัติเสมอภาคอย่างว่าแจกหนังสือในในร้านอแจกหนังสือในห้องเรียนแจกทุกองค์แจกกับนักเรียนทุกคน แจ่กับพระทุกองค์คั้งนี้ว่าเสมอภาพแต่ถ้าจะให้รางวัลให้รางวัลก็ต้องให้รางวัลว่าตั้งตั้งรางวัลไว้สำหรับอะไรสำหรับผู้ขยันมาเรียนสม่าเสมอหรือว่าสำหรับผู้ประพฤติดีหรือว่าสำหรับอะไรตั้งรางวัลไว้สำหรับอะไรแล้วบุคคลผู้นั้นปฏิบัติสมควรที่จะได้รับรางวัลก็ให้รางวัล ถ้าใครไม่สมควรจะได้รับก็ไม่ให้นี่เรียกว่าความยุติธรรมต่เวลาสอบคนทําคะแนนได้ดีกับคนทําไม่ได้ถ้าเผื่อว่าให้เกรดเท่ากันแลาต้องคิดว่านั่นคือเสมอภาคแต่ไม่ใช่ความยุติธรรมแต่ว่าถ้าเป็นความยุติธรรมมันต้องให้เกรด ตามสมควรแก่การที่เขาทําได้เท่าไหร่เขาทําได้เท่าไหร่ควรได้เท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นนี่เรีกว่าความยุติธรรมความยุติได้ด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้่เรยกว่าความยุติธรรมเพ ร, ราะฉะนั้นในในสังคมนี่นเรื่องผลตกนั่นบังคับไม่ได้แต่ว่า การปฏิบัติของมนุษย์ในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุลได้ทําให้ดีได้อยู่ในอยู่ในควบคุมอยู่ในการควบคุมของเราได้อันนี้เงินนี่ดึงเข้ามาดึงเข้ามาในทางที่จะปฏิบัติหรือว่าดึงเข้ามาภายในดึงเข้ามาตัวดึงเข้ามาแนวที่จะ ใช้ประโยชน์จากทำข้อนี้ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์อันนี้จากความฝันอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อสิบนะครับอันนี้มาถึงข้อสิบเข้อส1บ อ, อทรงสุบินนิมิตว่าเห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันจันเขียนจันทนะฮนะ จันทนะแก่นจันจันทนะเห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันราคามากตั้งแสนทศสามทายแรกกับเปรียงเนา่าทายแรกกับเปียงเนา่เาพระพุทธเจ้าทรงพยากร์ว่าในการอนาคตภิกษุอรัตชีอรัตชีแปล ว, ว่าไม่มีอย่างอาย เป็นคนหน้าด้านไม่มีอย่างอายภิกษุวรชีเห็นแก่ปัจจัยปัจจัยสี่อาชีวบิณฑบาตเสนาสนะอาหารบิณฑบาตเสนาสนะอยากแค่ไขเห็นแก่ปัจจัยพากันแสดงธรรมเพื่อให้แก่ปัจจัยสี่แสดงธรรมไม่พ้นไปจากปัจจัยไปได้ไม่แสดง ไม่แสดงทำตามทำไม่แสดงทำเพื่อทาไม่แสดงทาอันสมควรแก่ทำอลองนึกตัวนะครับนกตัวสมัยนี้มีมากเพียงใดหรือมีน้อยเพียงใดาที่เอาแกนจันหรือมีราคาั้งแสนกสระสบไปแลกกับเปียงเน่าเปียงนี่ก็คือ แปรมาจากนมสดนะครับนมสดแปรแปรไปเป็นนมส้มให้นมส้มแปรไปเป็นเปลียงเปลียงแล้วก็ก็ก็ผลิตภัณฑ์นมนะครับกินเหนไหถ้ามันไม่เน่ามันก็กินได้กินได้แต่ถ้ามันเน่าก็กินไม่ได้เอาไปแลกกับเปลียงเน่า พราะฉะนั้นก็ในอนาคตพิกษุอัลลชีเห็นแก่ปัจจัยพากันแสดงธรรมเพื่อเห็แก่ปัจจัยสี่เพือแสดงธรรมแลกปัจจัยสี่ทำเปรียบเหมือนแก่นจันทอที่มีลักามมากหอมแก่นจันท์นี่มันหอมไม่ว่าจะจับก็ตรงไหนอไม่ว่าจะจับก็ตรงไหนก็อหอมตรงนั้นตาบรรดาไมา ที่มีแก่นหอมไม่มีไม้ใดที่จะหอมยิ่งกว่าจันบรรดาธรรมของสมณะทั้งหลายไม่มีธรรมใดที่จะดีบริสุทธ์เท่ากับธรรมของพระสมณะโคตอันนี้ก็เสียงชมจากเสียงชมจากคนภายนอกในสมัยของพระพุทธเจ้า บันดาธรรมที่ดีทั้งหลายไม่มีธรรมใดที่ดีเหมันก็บธรรมของพระสมณโคดมเหมือนกับไม้ที่มีแก่นหอมก็ไม่มีไม้ใดที่หอมเท่าแก่นจันระยะทา ม, มันตั้งแสนกสระสาบเอาไปแลกกับเก่งเน่าพระธรรมเป็นของที่มีคุณค่าสูงแต่ปัจจัยเป็นของที่มีคุณค่าต่ํา พระรูปที่เจ้าท่านก็ส่งสั่งสอนอยู่เสมอว่าให้เป็นธรรมมาธาญาติให้เป็นผู้รับมรดกธรรมอยากเป็นอามิสตธาญาติเป็นผู้รับมรดกอามิสพระธาตุท่านทั้งหลายเป็นผู้รับมรดกอามิตรคนทั้งหลายก็จะติดเตียนได้กว่าดูเธอดูสาวกของพระสมนาคโคตมล้วนแต่เป็นผู้รับมรดกอามิตร ไม่รับมรดกธรรมเพราะฉะนั้นก็สาวกของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นผู้เคารพในพระสัสดาแล้วก็เห็นแก่ธรรมเห็นแก่ธรรมเคารพธรรมแสดงธรรมตามธรรมคือว่าสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน แล้วก็เพื่อทำเพื่อเพื่อการดํารงอยู่แห่งพระสัตย์ธรรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นประโยชน์แก่สุงชนจะเห็นแก่ธรรมเคารพธรรมด้วยความเคารพธรรมเวลานี้ ได้ยินเสียงบทได้ยินเสียงบทกันมากได้ยินเสียงบนกันมากจากพุทธบริษัทเขาว่าถ้ามีผู้แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ปัจจัยเพื่อเห็นแก่ปัจจัยเป็นอันมากจนบางคนก็รู้สึกเบือ่อหน่ายเยอเกินเพราะฉะนั้นก็ให้ แสดงธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือครหัตาที่กล่าวทำแสดงธรรมแล้วก็น่าจะสังวดในเรื่องนี้เอาไปด้วยหด้วยการให้คุณค่าแก่ธรรมมากกว่าให้คุณค่าแก่ปัจจัย ถ้าจะต้องแสวงหาด้วยอเนสนาอเนสนาแปลว่าการแสวงหาที่ไม่สมควรถ้าจะต้องแสวงหาปัจจัยด้วยอเนสนาคือการแสวงหาด้วยอันไม่สมควรเป็นมิจฉาชีพเป็นการทุจริตก็เพื่อมาแสดงทำก็ไม่ต้องแสดงก็ได้ เ, ออเพียงแต่ออทําต้นให้เป็นตัวอย่าง อย่างนั้นก็ถมเทไปแล้วนั่นก็ถมเทไปแล้วดีถมเทไปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะนำมาพูดกันนำมาทำความเข้าใจกันนำมาปรึกษาหรือกันด้วยความหวังดีต่อกันไม่ไม่ใช่จะ ทำรายกันหรือมุ่งรายกันแต่ว่าพูดด้วยความหวังดีต่อกันโดยเฉ่าอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นผลดีแก่ศาสนาโดยส่วนรวมว่าไม่ทําให้ศาสนาเสื่อมไปด้วยการแสดงธรรมแสดงแล้วก็ติดลบทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสไม่ให้เลื่อมใสทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้ถอยความเลื่อมใส อย่างนี้ก็ข้อมีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับอันนี้ต่อมาข้ อ, ส, อสิบสองทรงสวินนิมิตไ่าเห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้กระโหลกน้ำเต้าก็คือน้ำเต้าแห้งนะครับน้ำเต้าแห้งกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้ธรรมดามันต้องรอย น้ำเจ้าต้องลอยธรรมชาติมันต้องลอยน้ำแต่นี้มันกระโลกน้ําเจ้าจงน้ อ, อพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณว่าต่อไปภายหน้าถ้อยคำของคนต่ำเป็นที่เชื่อถือถ้อยคำของสงฆ์อรัจฉีคือผู้ไม่มียางอายเป็นที่เชื่อถือ ส่วนถ้อยคำของคนสูงและถ้อยคำของภิกษุลัทธิผู้มีอย่างอายไม่ได้รับความเชื่อถือเหมือนกระโหกน้ําเต้าซึ่งควรจะลอยแต่กลับจบรี่ว่าน้ําเต้าอันลอยจะถอยต้มฉันจะถอยจมกระเบื้องจะเพื่องพูลอยน้ําเต้าอันลอยจะถอยจมธรรมดากระเบื้องมันจะต้องจมสภาพของมันจม แต่ว่าถ้า เ, เ, เปลือกกระเปื้องมันลอยแล้วก็กระโหลกน้ำเต้าซึ่งมีสภาพควรจะลอยมันกลับจมดังนี้มันก็ผิด ธ, ธรรมดาผิด ธ, ธรรมดาอันนี้ถ้าเผือว่าถ้อยคำของคนดำนคนไม่มีสินมิตรทำถ้ลกลับเป็นที่เชื่อถือถ้าถอยคำของสงสารัชี เป็นสงที่ไม่มียางอายเป็นที่เชื่อถือของคนส่วนถ้อยคาของคนสูงคนดีแล้วก็ถ้อยคาของภิกษุที่เป็นลัดจีผู้มียางอายไม่ได้รับความเชื่อถืออย่างนี้สังคมจะเป็นอย่างไรมันคลิกหน้ามือเป็นหลังมือธรรมดามาต้องหลากรถแห่ทนี่ถ้าเผื่อว่ารถไปลากหมามันจะเป็นอย่างไร ท่านผู้ฟังที่เคารพครับข้อนี้ควรจะต้องพูดซ้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับรายการทำและทัศน์ชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ผมวสิณ น, นทัศนรามาดำเนินรายการนี้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับธรรมะและทัศนาชีวิตเพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบสาม วันจันทร์ที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้า้อยสี่สิบสองนะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องพุทธพยากรณ์หรือการทำนายพระสุบิ น, นิมิตของพระเจ้าประสิทธิธิโกรศ์สิบหกข้อด้วยกัน อได้พูดมาแล้วสิบสองข้อนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่สิบสามขอเท่าความถึงข้อิข้อสิบสองซะหน่อยนะครับจะได้เชื่อมโยงกันพระทรงสุบินนิมิตเด่นกระโหลกน้ำเต้าจมได้จมน้ําได้แต่ธรรมดาว่ากระโหลกน้ำเต้ามันต้องลอยน้ำในทรงสุบินนิมิตเด่นว่า น้ําตรงข้ามกับข้อสิบสามสิ่งเห็นหินแท่งทึกเท่าเรือนยอดเรือนยอดนี่เที่ยวกั บ, กบตึกโดมได้ก็เหมือนกับเรือนยอดเราก็มองภาพไม่เห็นเรือนยอดของอินเดียก็ปราดสะอาดลอยน้ําได้เหมือนเรือ ชนที่ว่ากะโหลกน้ำเจ้าจมน้ําได้อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าถ้อยคําของคนต่ําเป็นที่เชื่อถือส่วนถอ้อยถ้อยคําของคนต่ําเป็นที่เชื่อถือถ้อยคําของคนดีไม่เป็นที่เชื่อถือถ้อยคําของสงสารชีสารชีก็คือผู้ไม่มียางพายเป็นที่เชื่อถือ ส่วนถ้อยคำของคนสูงและถ้อยคำของภิกษุรัชชีรัชชีแปลว่าผู้มีอย่างหายไม่ได้รับความเชื่อถือเหมือนกระโลกน้ำเต้าซึ่งควรจะลอยจะกลับจมนี่วันก่อนผมพูดมาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบนี่วันนี้ก็มาถึงข้อสิบสามใ่า หินแท่งทึบเท่าเรือนยอดลอยน้าได้เป็นเรือนี่พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพวกไม่มีสกุลจะเป็นใหญ่พวกมีสกุลจกตกยากมองมาทางไฟพระสงฆ์ภิกษุผู้มีศีลจะไม่ได้รับความเคารพนับถือ ส่วนถ้อยคําของพิกโซ่พูดทุสีทุสีก็คือไม่มีสีนะครับจับดูหนักแน่นน่าเชื่อถือเหมือนศิลาแท่งทึบลอยขึ้นเหมือนศิลาแท่งทึบลอยขึ้นอันที่จริงนะครับท่านผู้ฝังที่เคารพครับอันทีจริงข้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจัด ถึงเรื่องที่จะเป็นไปในภายหน้าหลังสมัยของพระพุทธองค์แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงว่าคนเราจะดีหรือชั่วเพราะชาติสกุฏอันนี้ก็มีพระพุทธภาสิทธรับรองอยู่ว่านนชัชจาวัสโลโหติในชัชจาติรามโน พระคนจะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หามิได้จะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกําเนิดก็หามิได้กามุนาวัสโลโหติกามุนาโหติปรมโนเรจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทําจะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำแต่ตามหลักของพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงให้ถือเอา การการะทําดีหรือไม่ ด, ามา ด, ดีมาเป็นจุดนัดพบของคนมาเป็นจุดนัดพบของคนหรือมาเป็นมาตรฐานวัดคนเอาการการะทํามาเป็นมาตรฐานวัดว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีโดยที่สุดแม้แต่เรื่องชาติสกุล คนเราไม่ใช่เป็นคนเลวเพราะมีชาติกุลดำหรือว่าเป็นคนดีเพราะมีชาติกุลสูงแต่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเพราะการกระทาพระพุทธพจน์อย่างนี้นก็เป็นการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติความเชื่อถือของคนอินเดียสมัยของพระองค์ ที่ว่าถ้าเกิดมาเป็นกษัตริย์หรือเกิดมาเป็นพระามก็เป็นผู้ประเสริฐโดยกำเนิดพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทรานก็ต้องเครารพนับถือเขาต้องให้เกียรติเขาต้องบำเรอเขาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้ากษัตริย์ทำเร็วก็ก็นก้อนเร็วก็เป็นคนเร็วถ้าพราม์ทำเร็วก็เป็นคนเร็วถ้าสุดทำเร็วก็เป็นคนเร็วไวยสยะทำเร็วก็เป็นคนเร็วจันทานทำเร็วก็เป็นคนเร็วจันทานทำดีก็เป็นคนดีไวยสยะทำดีก็เป็นคนดีพราหม์ทำดีเปิดทำดีก็เป็นคนดีกษัตริย์ทำดีก็เป็นคนดี แต่นี้เป็นหลักเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าแล้วความนิยมของโลกมันก็ไปได้อีกอย่างหนึ่งถ้าความนิยมของโลกก็อาจจะนิยมอถ้านิยมคนที่นิยมรัพย์ก็ เ, เห็นคนมีทรัพย์เป็นคนดีคนที่นิยมความรู้ก็ เ, เห็นคนมีความรู้เป็นคนดีคนที่นิยม ฐานะทำหน่งก็เห็นคนมีฐานะทำแน่งเป็นคนดีคนนิยมอะไรก็เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความจริว่าถ้าถามว่าพุทธศาสนาเห็นอย่างไรพุทธศาสนาเป็นกรรมนิยมเป็นกรรมวาทีกรรมนิยมกรรมวาทีวิทยาวา่าทีให้ดูที่กรรมให้ดูที่การกระทำให้ดูที่ความเพีย อันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาหาทางที่เราจะปฏิบัติได้ที่เราจะทําได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในหมู่พิกษูสงในหมู่ในหมู่ในวัด พ, พิกซูพระพุทธเจ้าทรงปกครองทรงให้เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะมาจากตระกูลใดไม่ว่าจะมาจากวันณะใด เมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็มีสักสเสมอกันเป็นสมณะสักกายบุตรด้วยกันแล้วก็ให้เคารพกันตามลำดับพรรษาให่บวชก่อนให่บวชทีหลังก็เคารพกันตามอายุพรรษาไม่ใช่แล้วถือว่าเกิดใหม่เกิดใหม่ในอริยมิตรในเกิดใหม่โดยอริยชาติในอริยวินรใน ก็เคารพกันตามพรรษาอายุพรรษาสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์ไม่มียศสมณศักดิ์ของพระพุทธเจ้าก็มีแค่สีเท่านั้นแลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์เป็นสมณศักดิ์สูงสุดของพระพุทธเจ้าก็คือพระอระหันต์แล้วภิกษุสําหรับภิกษวุวรดัตที ผู้ไม่มียางอายนั้นยิ่งถูกยิงถูกขับไปเลยถูกไล่ไปเลยท่านเรียก ว, ว่าเป็นภิกษุนอกข้อท่านใช้คาว่าภิกษุนอกข้อภิกษุมาเหมือนข้าวรวงรีบทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่เสียดายว่าไม่ได้ไม่ได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งชื่อตาราดูก็วภิกษุ มาทจริงก็เตรียมไว้แล้วแล้วก็ยุ่งอยูอยย่หลายเรื่องหลายอย่างก็เลยาเผลอไปนิดเดียวก็เลยลืมไม่ได้เอามาติดติดมือมาในที่ที่กําลังพูดอยู่เวลานี้อันั้นมีข้อความดีๆเยอะครับในในเรื่องตาราดูพระภิกษุหนังสือเรื่องตําราดูพระภิกษุกมใช่ไม่ใช่ตำราโหราศาสต์นะครับดูตามที่พระพุทธเจ้าท่านดู ว่าอย่างไรภิกษุอย่างไรเป็นภิกษุดีภิกษุอย่างไรเป็นภิกษุไม่ดีอะไรนี้อาละครับก็ผ่านไปผ่านไปถึงกอ็อ่าขอเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็นี้แหละก็สิบสามนี่แหละก็สิบสามนีน่เรื่องเรื่องเนี้ย อที่ว่าศิลาแท่งทึบรลอยน้ําด้นี่ยว่าภิกษุพุทธสีนคาพูดถ้อยคําของภิกษุพุทธสีนดูหนักแน่นมันศิลาแทงทึบอาจจะเป็นเรื่องของสมัยที่คนชั่วถ้าคนชั่วมากถ้ามีคนชั่วมากก็ เราเห็นด้วยกับคนชั่วแล้วคนชั่วมีกําลังอาธรรมะว่าทีมีกําลังอาธรรมวาทีคือผพูดไม่เป็นธรรมมีกําลังธรรมวาทีถอยกําลังเมื่ออาธรรมว่าทีมีกําลังธรรมว่าทีก็ถอยกําลังคําพูดก็ไม่หนักแน่นคล้ายเส้นฟาง เ, เป็นฟางบางเบาบางคำพูดส่วนคำพูดของอธรรมวาตีมีกำลังหนักแน่เหมือนศิลาแท่งทึบแล้วก็ลอยอยู่เหนือน้ำลอยอยู่เหนือน้ำพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆก็เพื่อคมบุคคลผู้ทุมมังกูนงัง ครานังนิหายะเพื่อคมคนที่านาดานท่านชาท่านแปลในตำราว่าคนเกอ้อยากเกอ้อยากเกอ้อยากไม่ใช่เกอ้อง่า ย, ก, ยาก็เก้อยากเกียวกเรื่องความมาคือ น, นาดานแล้ว เ, เ, เปโสรานังปุกาลานัง่าสุวิหารายะเพื่อความอยู่เป็นสุขของภิกษุ ของบุคคลผู้เ อ, อมีศีลเป็นที่รักเปสลานังภิคุณนังผ่าสุวิหารายะเพื่อความอยู่เป็นสุขของเกสุขผู้มีศีลเป็นที่รักถ้ามีศีลไม่เป็นที่รักก็คือ บ, บุคคลผู้เกลียดศีลไม่ชอบศีลแล้วก็เป็นคนทุศีล <c oughs> อนี้ก็ต่อมาก็สิบสี่นะครับก็สิบสีุ่บินิมิตว่าเออเขียดตัวเล็ ก, ลกวิ่งไล่กวดงูตัวใหญ่แล้วก็กัดเนื้อขาดเหมือนกัดการบัวแล้วก็กินกัดเนื้อขาดเหมือนตัดการบัวแล้วกิน เห็นเขียดตัวเล็ก ๆ, ๆ <c oughs> เห็นเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูงูใหญ่งูตัวใหญ่เขากัดเนื้อขาดเหมือนกับตัดก้านบัวแล้วก็กิดก็ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้า เมื่อโลกเสื่อมสมลงผู้ชายจะตกอยู่ในอำนาจของภรรยาเด็กๆทําตามใจของพวกเธอแ้เธอก็จะกดสามีไว้ใต้อำนาจเหมือนทาสและคนรับใช้ต่อไป <c oughs> ภายหน้าภายหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ หรือว่าเป็นมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่หลังสมัยพระพุทธเจ้าแล้วมาจนถึงบัดนี้แล้วมันจะมีต่อไปถ่ายหน้า <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าถ้าเผื่อว่ า, าผู้ชายไปตกอยู่ในอานาจของพัญญาเด็กๆแล้วก็ทำตามใจของพวกเธอ เธอก็จะกดสามีไว้ใต้อำนาจเหมือนทาสและคนรับใช้อาจจะเป็นพันยาเด็กหรือพันยาผู้ใหญ่หรือเป็นพันยาแก่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าตกในอำนาจเขาโดยเด็ดขาดแล้วแต่เขาจะบัญชาการไมาเป็นอย่างไรแล้วมันก็จะจะเดือดร้อนก็จะเป็นเหมือนเขียดไล่กวดงูตัวใหญ่แล้วก็กัดเนื้อขาด เขาอยู่ลําบากนะอยู่ลําบากอยู่ไม่สบายอยู่ไม่ผาสุกคนอยู่ด้วยกันก็ต้องให้เกียรติกันไม่ว่าจะจะเป็นสามีผู้ใหญ่พันญาเด็ ก, ห ร, ดกหรือว่าพันญาเป็นผู้ใหญ่สามีเด็กหรือว่าพันญาสามีเท่ากันอายุรไรเรียกกันหรือว่าจะอย่างไรก็ตาม ก็ต้องให้เกียรติกันนับถือกันแล้วก็ <c oughs> เอาใจใส่ต่อกันเอาผ่ <c oughs> อสั้นผ่นยาวผ่ปนปลนมีความผ่อนปนต่อกันใ น, ก <c oughs> ในชาดกในชาดกชาดกหนึ่งชื่อกุณาละชาดกาในพระเต้าดกเล่มยี่สิบ แปดเจ็สิบแปดหน้าหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดก็มียาวนะกุณาลชาโดมียาวมากยาวมากแนละ้วมีคําพูดมากมายอ่านไม่ค่อยหวาดค่อยไหวมีเยอะนกคุยกันนกกุณาละกับนกปุณณมุขคุยกันนกกุณาละนี่บริวารเยอะมอะีมีพัญญามีพัญญานก รอยกันถึงส า, 3, า, า 3, มพันห้าร้อยตัวสามพันห้าร้อยฮะใช่ถูกตสามพันห้ารอยตัวมีพญานกมีนางนกถึงสามพันห้าร้อยตัวก็สนุกพัานแล้วสนุกแย่เขาก็ช่างเขียนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ปุนะมุขะมีมีนางนก ซึ่งเป็นปัญญาสามร้อยห้าสิบตัวอ่าอย่าเล่าเลยวันนี้เพราะาเวลามันไม่พอแล้วก็เดี๋ยวมันจะเรื่องมันจะยาวไปใหญ่แต่ก็อ่านแล้วสนุกเท่านั้นเองครับแต่ก็ผู้หญิงก็อย่าไปอ่านเลยเพราะว่าเป็นชาดกที่นินทาผู้หญิงจะเยอะเออผู้หญิงอย่าไปอ่านเลย ในชาดกนี้มีอยู่ตอนหนึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าอาเทชาวาปินโร ο, วิจขันโนสัคกกโตวุชนาสะจิจโตนาลีนางวสังคโตนะภาสติ <c oughs> อธิายเป็นใจความว่าบุคคลนราชนแม้จะมีเดชมีปัญญาแประจักบมีปัญญาแลมคมเอ่อ คนเป็นนั้นมากสักการะบูชาแล้วก็ตามแต่ถ้าไปตกอยู่ในอำนาจของนาสิ็จแล้วก็จะไม่งามก็จะไม่งามนโสปติหรือนภาสติแต่ว่าไม่รุ่งเรืองก็ได้ไม่รุ่งเรืองไม่งาม <c oughs> บางแห่งก็เป็นณโสปฏิบางแห่งก็เป็นณภาสติณโรจติก็มีไม่รุ่งเรือง ไม่งามทำอนองนี้นะครับแม้จะแม้จะเป็นคนมีเดชมีปัญญาวิจักหรือมีปัญญาเฉียบคม อ, อันบูอันชนเป็นอันมากเคารพสักการะบูชาแล้วแต่ถ้าไปตกอยู่ในอำนาจของสตรีก็จะไม่รุ่งเรืองไม่งาม อันนี้อันนี้บุรุษที่ฟังอยู่ก็กควรจะพิจารณาว่ายังไรเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจยางไรแค่ไหนเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจก็เกล้าทตามเขาทุกอย่างทำตามเขาทุกอย่างแล้วแต่เขาจะให้ทำอะไรก็ทำตามไปทุกอย่างไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล อย่างนี้เรียกว่าตกอยู่ในอำนาจแต่ว่าคบกันในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเป็นปรึกษาหา้รือกันจะทำอะไรก็ปรึกษาหา้รือกันเห็นดีด้วยกันเห็นชอบด้วยกันแต่ความจริงก็ในก็ในชาดกนี้ก็พูดถึงเหมือนกันว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายที่คล้อยตามไปเสียทุกอย่าง ในชาตุคนี้ก็พูดถึงเหมือนกันสตรีไม่ชอบบุรุษที่คล้อยตามไปเสียทุกอย่างก็บางทีเขาก็อยากจะให้คัดใจบ้างให้แนะนำเขาบ้างต้องการจะให้เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผูน้ตามความต้องการจริงๆต้องการให้เป็นผู้นำไปใจให้เป็นผูน้ตามแที่นี้ถ้าเผื่อว่าไป ตกอยู่ในอำนาจของเขาและตามไปทุกอย่าง อ, อย่างนั้นก็นาเรีนางวาสังค ต, ตุนาสติหรือนาโสพติตกอยู่ในอำนาจของอสตรีหรือนารีแล้วจะไม่งาม อ, อันนี้ก็เป็นภาสิตรอนหนึ่งในกุณาลัชชาตุกซึ่งยาวมากยาวมาก อันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้ามาจากพุทธพยากรณ์ที่ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรหรือจะนํามาใช้อย่างไรในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบัน